ดูดูแล้วดูนั่นน่ะฉันใดคนที่มีปัญญาก็วินิจฉัยใคร่ครวรพิจารณาเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้การพูดถึงว่าการอย่างในสูตรนี้เนี่ยนะพูดปัทวีธาตุแบบนี้เนี่ยนี่แหละคือการแสดงกายานุปัสนาเนี่ยนะคคนที่เรียนสติปัฏฐานมาเนี่ยการที่ภาษาริบุตรแสดงแบบนี้แหละวิธีการปฏิบัติอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานที่นี่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 อันนี้คือแผ่นดินแบบที่เรียกว่าในโลกเนี่ยนะแผ่นดินเขาสิเนรุแต่กระจายหมดแหละนี้ไหนที่หนึ่งในที่สองดวงอาทิตย์เนี่ยนะดวงอาทิตย์มันหลุดจักรวาลอื่นมาได้ไหมหลุดวงโครจรสุริยะจักรวาลอื่นๆมาได้ไหมกลางคืนเรามองเห็นดวงดาวสว่างๆนั้นก็บอกว่าดวงนั้นอะ่ะบางทีใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราอีกถ้าเกิดมันโครจรมาทุกดวงมาบริเวณโลกเราอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าโลกนี้ก็ปลายเป็นลุกเป็นไฟ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 น้ำเนี่ยนะเพราะว่าในห่วงโลกธาตุเนี่ยมันแปรสภาพไปเป็นลักษณะน้ํากรดที่มันมีพิษร้ายแรงรุนแรงมากเนี่ยนะก็แตกทําลายแล้วอย่างที่สามก็คือลมเนี่ยพัดสะแตกกระจัดกระจายไปหมดก็เหมือนกับว่าถามว่าลูกอุกบาทตกลงมาเนี่ยนะลูกอุกบาทเท่าดวงจันทร์ตกลงมาใส่โลกหลายหลายดวงเป็นยังไงถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันตกใส่มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเนี่ยนะอย่างทางอะไรเขาเขาก็มีเครื่องป้องกัน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 เพราะฉะนั้นก็มีอายุยืนขนาดนี้ก็ดีใจจะได้เจริญปัญญาจะได้พิจารณ า, น, า น, น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายในยปฐวีธาตุคลายกำหนัดในปฐวีธาตุเพราะอะไรเพราะขนาดปฐวีธาตุภายนอกท่านบอกว่ากำเริบได้ย่อมมีแลสมัยนั้นปฐวีภายนอกจะเป็นของอันตรธานไปโลกทั้งโลกเนี่ยบางช่วงนี้กลายเป็นอะไรนะเป็นฝุ่นละอองนะไม่เหลือสภาพความเป็นโลกอีกแล้วเนี่ยนะ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 ก็เหมือนกันแนหะและฉันใดขนาดโลกใหญ่ๆอย่างเนี้คิดว่ามันระเบิดได้ไหมถามว่าเอาทั้งโลกนี้เนี่ยนะนิวเคลียร์อเมริกาก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอันรัสเซียก็โยนนิวเคลียร์ขึ้นมาอินเดียปากีก็โยนนิวเ ค, คลี ย, ร, ย, ย, ลลยร์ทุกคนปล่อยนิวเคลียร์หมดเนี่ยโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงทุกคนปล่อยนิวเคลียร์ออกมาหมดเลยเนี่ยนะก็แหลกลานกันแท่นั้นอนะ่ะเป็นจุนวิจุนกันหมดเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นก็บอกว่าปฐวีาธาตุภายนอกใหญ่ขนาดนี้ยัง ไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะแล้วใหญ่ถึงเพียงนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงปรากฏเป็นของสิ้นไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏเป็นของแปร Α ป, ปรวน brick ไปเป็นธรรมดาก็จักปรากฏอย่างประเทศประเทศหลายอย่างที่เขาสร้างตึกมานานๆเนี่ยเราจะได้ข่าวเขาระเบิดตึกกันเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆใช่ไหมแล้วกายนี่ล่ะฉไนความที่แห่งกายอันตันหาเข้าไปยึดถือว่า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 ท่านบอกว่ากายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่พอประมาณไปดูอัตกรฐานหน้าห้าสเนี่ยนะคว่ากายนี้ตั้งพออยู่ประมาณขนาดนะตรงกลางหน้าเลยเนะกลางหน้าเขาบอกว่าห้าสามเจดกลางหน้าว่ามัดตัทกสะตั้งอยู่ช่วระยะพอประมาณหรือช่วระยะกา น, นิดหน่อยดำรงอยู่ช่วระยะเวลาเล็กน้อยกายนี้เนี่ยนะตั้งอยู่นิดหน่อย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 มากๆเนี่ยนะและอีกในหนึ่งก็บอกว่าแสดงว่ากายนี้มันตั้งอยู่นิดหน่อยเท่านั้นแหละชีวิตตังอตตภาโวสุขทุกขาจากเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตเตขโนชีวิตอัตาภาพสุขทุกทั้งมวลล้วนประกอบด้วยขณะจิตเดียวชีวิตมันดำรงอยู่ที่ลักษณะจิตเท่านั้นแลเนี่ยนะย่อมเป็นไปอย่างฉับพลันแล้ววัหนึ่งเกิดดับเท่าไหร่ล่ะ แล้วร่างกายของเราล่ะ เ, เส้นนะถ้าพูดแบบเนี่ยนะพูดแบบเลือดเลยนะเลือดที่อยู่ที่หน้าผากไปถึงเท้าใช้เวลานานเท่าไหร่ <S <S เลือดนี่มันไหลเวียนทั่วร่างกายใช่ไหมมันแล้วมันสูบฉีดทั่วร่างกายเนี่ยนะถ้าจากจากศีรษะมันเวียนไปถึงเท้านี่ใช้เวลาเยอะไหมมันก็เวียนตลอดเวลาแสดงว่าถ้าเป็นแบบเรเคยเห็นแบบอะไรนะท่อสายยางสายยางที่น้ําแบบมันสูบฉีดอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้นะ <mister tumors> ปั๊มก็ปั๊มอยู่นั่นแหละปั๊มทั้งวันทั้งคืนปัม three and three and three ป๊มทั้งวันทั้งคืนปั๊มภายนอกเปลี่ยนไปทั้งสามตัวแล้วปั๊มภายในยังใช้ต่อไปได้ใช่มั่นนะปั๊มคือหัวใจนั่นก็ปั๊มทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดทั้งสูบทั้งฉีดเนี่ยนะปั๊มอยู่นั่นแหละพรันเลือดจากตามันก็ไหลไปที่ที่นิ้วมือนิ้วเท้าเลือดที่นิ้วมือนิ้วเท้าเวียนไปที่ศีรษะเลือดข้างหน้าเวียนไปข้าง ไม่อดีตก็สิ้นไปแล้วนายอดีต อ, อ, อนาคตก็จะสิ้นไปในอนาคตแล้วปัจจุบันเอาขณะไหนล่ะมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนการตายหาความจีรังยั่งยืนแน่นอนมั่นคงไม่ได้เลยบอกเออรูปแหมรูปมันไม่เที่ยงนะแต่ใจสิแน่นอนบอกก็ถ้าทววิญญาณนะใช้คาว่าวิญญาณ น, นี่เหมือนเที่ยงไหแต่บอกก็ถ้าใช้คาว่าใจล่ะความคิดนี่สิแน่นอนเชื่อได้ไหมความคิด โอ้ยกเหมือนกับคบลิงเลยนลี่แหละอนเนี้ยนะลิงเอ้ยลิงเนี่ยนะ <S <S แวบหนึ่งเนี่ยนะนั่งฟังธรรมคิดได้กี่เรื่องแล้วเนี่ยอยู่กับธรรมะถึงกี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะบอกเอาฟังธรรมะร้อเอยู่ในชั่วโมงธรรมะร้อยเซ็นตี่ยอยู่กับธรรมะได้ห้าสิบอร์เซ็หมหรือคิดเรื่องอื่นคลอไปด้วยตั้งก็ดูเอาว่าอันไหนมันมากกว่ากันเนี่ยนะก็คู่ควรไหมที่จะพ้นจากทุกอย่างเนี้ยนะ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 เห็นโครกระบือเป็นต้นบรรทุกอยู่ข้างหน้าไม่เข้าพาไปไหนแล้วใครรู้ว่าคนที่อยู่บนรถจะไปสุขเกษมปลอดภัยอย่างเดียวประเทศเราเนี่ยนะโอ้ตายพอกับสงครามเลยเพราะอะไรอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์บิดแป้นเข้าไปเนี่ยโอยขอให้มีความสุขมีอายุยืนเถอะเนี่ยนะเพราะโดยเฉลี่ยแล้วสถิติเนี่ยนะที่ปลอดภัยไม่สูงนักเนี่ยนะบางทีก็เอาเอาหน้าไปถูถนนบ้างเอาตัวไปถูบ้างเอาแขนตลกปลก่เปิกไปหมดเนี่ยนะ โอยน่าสงสารจริงๆเลยนะแต่ละคนมันบอบบางจริงๆเหมือนกับมันเหมือนกับสิ่งที่มันบอบบางมากๆเลยร่างกายอันนี้เนี่ยนะจะเอากรอกมาใส่มันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันนะนะนั่นก็อะไรจะบอบบางเท่ากับกายนี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะพร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะกระจายพร้อมที่จะซูมพร้อมที่จะสลายหนักๆเข้าวไวรัสมันแหมมตัวใหญ่เท่าช้างที่ไหนใช่ไหมหายใจเข้าไปก็จะป่วยตายอยู่แล้วว่ากันนะนะกลัวที่สุดกลัวลมหายใจบางช่วงไหม เคย ม, มีอยู่ช่วงหนึ่งว่ากลัวลมหายใจกันหน่าดูเลยนะหนักๆเข้าอาวุธไม่ได้อยู่ไกลอะไรใหญ่โตที่ไหนรอกหายใจรถกันก็ตายแล้วเนี่ยนะเดี๋นึกว่าแก่งกาดอะไรเลยใช่ไหมหายใจรถกันก็จะตายกันอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ชีวิตเนาะชีวิตเพราะฉะก็เลยท่านบอกว่าชีวิตเนี่มีกิจน้อยในหน้าห้า้สาสิบดบอกว่ากายนี้เนี่ยนะมันเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออก เมื่อกายนี้เนื่องจากด้วยลมหายใจเขาออกเราเราสามารถไปดมอย่างอื่นแล้วตายได้ไหมไอ่ะอ่านะได้แล้วลืมหายใจออกละ่ะหายใจเข้าไม่ออกละ่ะถ้าออกแล้วไม่เข้าพร้อมที่จะตายแล้วหายใจเอาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ก็พร้อมที่จะจะตายเนี่ยนะก็พร้อมที่จะตายกวย่าเนี้ต่อไปชีวิตนี่มันเนื่องทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูปสี่ เอาทาธาตุดินกำเริบนะเช่นไม่รู้ว่าสมองท่านบอกว่าสมองฉันบอกว่าฉันขอเน่าแล้วกันนะถ้าสมองขอเน่าจะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตับบอกว่าฉันเบื่อแล้วขอแข็งดีกว่ า, านะหัวใจบอกว่าไม่เอาเลยนะฉันขอไม่เลิกทำงานดีกว่ารั่วเลยหมดเรื่องเนี่ยนะลาไส้ก็บอกโอ๊ยเนี่ยนะงอกโตขึ้นมาหรือสรุปว่าอันใดอันหนึ่งดินก็ค่าดินดินค่าน้าดินค่าไฟแล้วก็ดินค่าลม ในด้างกายเนี่ยนะมันทะเลาะกันเองนะธาตุลมมันธาตุน้ํามันฆ่าธาตุดินมันฆ่าธาตุไฟมันฆ่าธาตุลมธาตุไฟฆ่าธาตุดินธาตุน้ําและธาตุลมธาตุลมฆ่าดินลมฆ่าน้ําลมฆ่าไฟแล้วก็ธาตุสีนะมันแบ่งบางทีมันแบ่งเป็นสงเผ่าดินฆ้านอนวะ่ามัน้นอะไรนะลมกับไฟมันเข้ากันดินกับน้ํามันทะเลาะกันเนี่ยนะตายสรุปอะไรจะชนะอะไรจะแพ้คนก็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 ฝากความหวังเอาไว้กับจิตได้ไหมฝากความหวังไว้กับภวังรู้ได้ยังไงว่าเอาอุปคาตกรรมไม่มาตัดรอนอุปปีและกะกรรมไม่มาตัดรอนเนี่ยนะเพราะยิ่งแบบสมัยปัจจุบันเนี่ยนะอยู่บ้านเราดีๆมรด้อะไรตกลงมาใส่ตายแล้วนะพร้อมที่จะเกิดตายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะอย่างเจดีหลายๆแห่งมันถล่มเพราะอะไรรู้ไหมแผ่นดินไหวแล้วเรานอนอยู่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าจะ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 ธาตดินได้เนี่ยนะลมก็ย่อยสลายโลกภายนอกได้ชันใดลมก็ทําลายเช่นอหิวาตะกโรคอะฮิวาตะเนี่ยอะฮิแปลว่างูวาตะแปลว่าลมอหิวาตะกะโรค ก, ก็โรคที่ลมประดุดงูกัดอย่างนั้นเะน่ยมันพร้อมที่จะทําให้ตายเนี่ยนะคือสรุปว่าโลกนี้เนี่ยเอาอะไรมารับรองรับประกันยัง่งยืนประกันชีวิตช่วยได้ไหม อ้ยประกันชีวิตเนี่ยมันเขาก็คนคนตะคนเป็นนะใช้สตางอ่ะนะเ้าเรียกว่าอะไรนะประกันชีวิตแปลว่าแกตายแล้วคนอื่นจะได้มีสตังใช้เนี่ยนะอา้าวใช่งั้นปะโดยความหมายอะนะจริงๆแล้วแปลว่าอย่าง น, นั้นได้ปาเมื่อคุณตายแล้วคนอื่นจะได้มีสตังเอาไปเผาคุณอย่างนั้นอะนะเขามีวันก่อนไปนั่งคุยกันโยงเขามาเล่าบางบอกโอ้คุณต้องทําประกันนะตายแล้วเดี๋ยวเขาไม่มีการไม่มีเงินค่าศพไม่มีอะไรอย่างงั้นอย่างงี้เนี่ยนะ บอกโอ๊ยคนตายเขาไม่มีปัญญาเอาไปทำลายคนเป็นเขาอยากจะเอากองไว้ตรงนั้นก็ตามใจละกันะไรเขาไม่ปล่อยเอาไว้นานรคก น, นะนะครับกลัวในหน้า517เนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความถือด้วยสามารถแห่งตันหามานาทิฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลย คิดว่าถ้าใส่ใจคิดแบบคำสอนพาคิดมากๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาขนาดสิ่งภายนอกยังไม่เที่ยงยังแตกทำลายแล้วร่างกายปัทวีธาตภายในจะมั่นคงยั่งยืนอยู่ต่อไปหรือเป็นต้นน่นะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆจะมีมานะในกายนีมไหจะมีมานะมีมิจฉาทิฐิในปัทวีธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเาถ้าพิจารณาใคร่ครวญแบบนี้ก็จะละตัณหา ในกายได้ละมานะในกายได้ละมิจฉาทิฐิ ท, ที่สำคัญผิดคิดผิดในร่างกายได้พระในหน้า518เจงกล่าวว่าหากว่าชนเราอื่นจะดา่าจะตัดเพอจะกระทบกระเทียบจะเบียดเบียนภิกษุนั้นใสภิกษุไหนภิกษุที่จเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเมื่อจเจริญเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะบางทีคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าไม่ถูกด่านะ ก็แปลว่าถูกด่าเป็นเหมือนกันถ้าเขาด่าแล้วถ้าเขาดา่าเขาเขาดา่าเขากระทบกระเทียบหรือเขาเบียดเบียนอะนะเช่นแทนที่เจ้าจะเอากอดอกไม้มาแล้ว เ, เอาก้อนอิดเป็นต้นเนี่ยมาให้เนี่ยทำไงเอา้าแปลว่าถูกดา่ามั่งเขาไม่ได้มาชมอย่างเดียวเขามาด่าก็ได้เขาไม่ใช่เอาดอกไม้มาให้อย่างเดียวเอาลูกปืนมาให้เป็นต้นก็ได้เนี่ยนะจะ ท, ทำไงเอา้าภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดแต่โสตะสัมผัสนี้แปลว่าอะไร แปล ว, ว่าถูกด่าใช่ไหมพอถูกด่าก็เรียกวาพอถูกด่าแล้วเจ็บหูหรือเจ็บใจเห <Yeah. S 1> ็นไหมถ้าไม่ด่าไล้หูจริงๆก็ไม่ถึงก็แสบแก้วหูใช่ไหมแต่มันเจ็บใจหรือเกินเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าทุกขเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเนี่ยนะกัมเริบเนี่ยนะเครียดเลยเนี่ยนะก็แต่ว่าทุกขเวทนาความเสียใจทุกขเวทนาที่กัมเริบนะแปลว่าโทสะมันกัมเริบขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุถ้าไม่มีเหตุมันจะเกิดได้ไหม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 ก็เห็นว่าภาษะก็ไม่เที่ยงอะไรเพราะอะไรหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วภาษะจะเที่ยงมาจากไหนเห็นว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงนะสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็ใส่ใจว่าหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงโสตวิญญาณภาษะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงนะนะก็หูเนี่ยหูเนี่ยมันอาศัยอะไร กระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดเนี่ยในร่างกายของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในช่องหูกระดูกค้อนกระดูกทั่งกระดูกโกลนกระดูกอะไรแถวๆนั้นมันเล็กที่สุดเนี่ยนะแล้วมันเคาะดั ง, งกันป๊กแป้งปกแป้งเหมือนกันยิ่งยิ่งมือมันไม่ได้ใหญ่เท่าลูกระนาดอะไรที่ไหนหรอกนะีนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะจีรังยั่งยืนหูมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วไอหอยโข่งที่หูมันจะยั่งยืนมาจากไหนเนี่ยนะ แต่ละส่วนแต่ละส่วนที่อยู่ในหูมันก็ไม่เที่ยงและเสียงล่ะเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณโสตาวิญญาณเที่ยงไหม um หูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม vo, ago, ่เที่ยงโสตาวิญญาณก็ไม่เที่ยงภาษะมันเที่ยงไหมบางทีอ้าวเขาเขาาด่าเราอ่ะเขาด่าเราเขาพูดคําเดียวที่เหลือเราคิดเอาเองหมดเห็นไหมใช่ไหมบางคนก็บอกเขาด่าเราอ่ะเขาด่าเราอ่ะ คิดนอนคิดทั้งคืนอะไรว่าด่าตัวเองทั้งคืนเลยเนี่ยนะจำตัวเองได้ทั้งคืนด่าตัวเองทั้งวันเนี่ยพิธีเขาพูดคําเดียวแค่ น, นั้นแหละที่เหลือเนี่ยนะเราเก็บไปคิดเอาเองหมดอู้อธิบายนะแตกฉานมากเลยนะเชี่ยวชาญอธิบายเชื่อมโยงโอู้ชักเหตุชักผลมาด่าตัวเองพี่พี่คาสอนพระพุทธเจ้านะโยงอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะอันนี้ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องในโยงแกงเก่งแสด ง, ง, งว่าชํานาญมากเลยนะอันนี้แหละที่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 กำเริบเสียอกเสียใจเนี่ยนะขณะที่โทรศัพท์ก็คือนอนมันกำเริบในในใจนั่นแหละก็เลยนึกว่าเราเนี่ยดีตลอดดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะนอนมันชายอยู่ขนาดนั้นยังชมตัวเองว่าดีอีกนะก็เราดีขนาดนี้เขายังด่าเรานะยิ่งเสียอกเสียใจที่ไหนได้เนี่ยนะเข้าใจผิดเนี่ยนะเข้าใจผิดเนี่ยนะก็บอกว่าบางทีถ้ามานสิการแบบนั้นได้เนี่ยนะจิตก็มีธาตุเป็นอารมณ์ใส่ใจในปฐวีธาตุ อาศัยใจในหูเสียงโสตวิญญาณภาษัษาเวทนาศสายใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาชาวนะก็เล่นไปอย่างนี้วิปัสนาญาณก็เล่นไปอย่างนี้ย่อมฝอยได้ฝอยได้ไมันเข้าใจแปลว่าไม่ติดขัดเนี่ยนะไม่ติดขัดไม่ระคายใจเลยเนี่ยนะเอาเขาก็ดา่าษเขาก็มีหูนั่นแหละจึงถูกด่าเป็นต้นเนี่ยนะแล้วคนที่ด่าละ่ะถ้าเขาคิดเป็นเขาก็ไม่ดา่าหรอกเชื่อเหรอเนี่ยนะถ้าเขากุศ ล, ลจิตเกิดเขาก็ไม่ดา่าเราหรอกก็จิตเขาไม่เป็นกุศล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 แปลว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละมันจึงไปดึงเสียงด่ามาใส่หูได้เนี่ยแสดงว่าเราก็เป็นคนไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าที่ที่ที่ที่สุนัขมันอุจระใส่เนี่ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยโดยมากแล้วมันเป็นสถานที่ทําเล ข, ของเขานะเขาจึง ถ้าไม่ใช่ทำเล ข, ของเขาจริงๆเขาไม่หรอกเนี่ยน ะ, ะนาแนเราทั้งหลายถูกเขาคนอื่นเขาว่าเขาด่าเขาอะไรเป็นต้นเนี่ยเราก็มีวิแววว่าน่าจะถูกด่ามาตั้งนานแล้วเนี่ยนะที่จริงเนี่ยเลื่อนระยะเวลาด่ามาึงปัจจุบันได้นี่ก็ดีใจแล้วนะโหแต่ตั้งนานเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยไปเข้าข้างตัวเองดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะระวังเด้อดีมันจะซ่านนะจะลำบาก ถ้าดีมันแตกก็เดือดร้อนเนี่ยนะถ้าดีสั้นก็เดือดร้อนดีดีแตกก็เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเข้าใจว่าตัวเองดีนักเลยเออดีเหมือนกันเนี่ยนะเคยเขาเขามีบางคนหบอกเวลาเดินกระทบอะไรเลือดมันออกเนี่ยนะเออเอาเลือดอะไรที่ไม่ดีไม่ดีออกไปบ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะโยมกันเราออกมายังค้าเลยนะี่ยรู้สึกช่วงนี้มันหงุดหงิ ย, ยังไงล้วไปเจาะเลือดดีกว่าเอางั้นเอาเลือดบางอย่างออกไปบ้างเขาว่างั้น เราได้ย็นละคำเลยนะบอกว่าเออเอาเลือดออกสักหน่อยก็ดีเผื่อมันจะอะไรจะดีขึ้นอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยนะนะที่จริงอะ่ะของเราเองเออโดนซะบ้างก็ดีเหมือนกันแสดงว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละที่จริงมันวีวีแววมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะแสดงว่าแผ่นดินแถวนี้มันชุม่มชื้นฝนมันก็เลยอยากตกอะไรเงี้น น, นะนะก็เลยนี่ก็เหมือนการบัญาญยยาัติเข้าข้างตัวเองให้มากนักถ้าใครครวญบ่อยๆเนี่ยนะมันก็ไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะเราก็ไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกเอา้เาเขาด่าเราอะ่ะ เอาจริงๆเอาวันๆเรานั Hola.. time, <Huh? S 2> really? ่งชมใครบ้างออานะแล้ววันวันหนึ่งเรานั่งชมใครคนนั้นก็ดีอย่างนั้นคนนี้ก็ดีอย่างนี้ถ้าปกติเรานั่งชมแต่คนอื่นทั้งวันแล้วถูกด่าเออว่าไปอย่างไงแล้ววันหนึ่งเรานั่งมุติตากับใครบ้างไอคนนั่นก่อใหม่ดีไอคนนั้นก่อเลวคนนี้ก่อใหม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็พูดหม่ดีคนนี้ก็น่ารําคาญเฮ้ยก็นั่งบนคนอื่นไปทั้งวันแล้วคนอื่นเขาด่าเราม้างเขาเขาจริงเขาคิดไม่ดีกับเรามาตั้งนานแล้วแปลงออกมาเป็น จิตเวจีวิญญาตเนี่ยเพิ่งได้ยินที่จริงเขาไม่ได้ชมเรามาตั้งนานแล้วล่ะเนี่ยนะพันถูกด่านนี่แสดงว่ามันกลัดน้องมาแล้วมานานแล้วมันจึงประทุกออกมาว่างั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากเนี่ยนะถ้าคิดอารยสัตว์ถ้าเชี่ยวชาญขนาดนั้นบรรลุตั้งนานแล้วบางเรื่องเนี่ยนะคำไหนที่ไม่ใช่สุภาษิตนะเก็บมาคิดทําไมนะคำของพระพุทธเจ้าผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลไม่เก็บมาคิดรอไอ้คาที่แม้ก็แก่นจะตกนรกเงี้ยนะโอ้ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะแสดงว่ามันก็มีวี่ววเหมือนกันนะ ดังนั้เราก็ไม่ธรรมดานีสมมติเขาด่าว่าเราเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้เป็นเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยนะเป็นตัวตะกวดเป็นตัวเงินตัวทองแล้วเขาด่าว่าเราเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วเราก็เกลีแล้วคิดแล้วก็โกรธเออแสดงว่ามีวิเววเหมือนกันนะเนี่ยพราะซ่องเสพความคิดแบบนั้นค่อนข้างเยอะเนี่ยนะงั้นก็สงสารตัวเองบ้างเถอะเนี่ยนะเขาด่าเราคําเดียวพอแล้วทําไมเราต้องประทุษร้ายเบียดเบียนใจของเราให้มันมากนักเลยเนี่ยนะ สงสารตัวเองก็บอกว่าแต่เวลาเราเราเก็บจําคําได้เขาด่าเราจบแล้วนะแล้วทําไมเราต้องมานั่งด่าตัวเองต่อไปอีกล่ะเนี่ยนะเขาก็พูดไปแล้วแล้วเสียงนั้นมันก็หมดไปแล้วแล้วย้ําคิดย้ําทําไปถึงไหนเราก็ตอนนี้เราก็สามัญจะสํานึกแล้วเนี่ยนะต่อมสามัญจะสํานึกก็ทํางานแล้วแนั่นนะเราก็จะไปอะไรมากมายกับนี้เนี่ยนะก็แก้ไขเธออะไรที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไปเธอถ้าแก้ไม่ไหวจริงก็อิติปิโซไปก่อนแล้วกัน ก็บอกว่าถ้าพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะมันจะไม่ติดขัดจะตั้งอยู่ด้วยดีด้วยอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะจะตั้งด้วยทุกขานุปัสสนาตั้งอยู่ด้วยอนัตตานุปัสสนาเรื่องหาเกี่ยวกับปัทวีทาธาตยังไม่หมดนะนะแต่เวลามันหมดแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายต่อแล้วกันเจนพร์สหรับเช้านี้ก็เท่านี้ก่อนเนะี่ย